บทภาชยี426ภิกษุถูกสงลงโอเคปนิยกรรมภิกษุน์สำคัญว่าเป็นพิกษุถูกสงลงโอเคปัิญกรรมคบหาอยู่ร่วมหรือนอนร่วมต้องอบัตปาจิตตีพิสูจน์ถูกสงลงโอเคปัญญกรรมภิกษุไม่แน่ใจคบหาอยู่ร่วมหรือนอนร่วมต้องอบัตทุกกฏพิกษุถูกสงลงโอเคปัิยกรรมภิกษุน์สำคัญว่าไม่ใช่ภิกษุที่ถูกสง ลงอุเคปนิยกรรมคบหาอยู่ร่วมหรือนอนร่วมไม่ต้องอาบัดภิกษุไม่ได้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุสําคัญว่าเป็นภิกษุที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมต้องอาบัตดทุกกฎภิกษุไม่ได้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตดทุกกฎภิกษุไม่ได้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ภิกษุที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมไม่ต้องอาบัด